ทราครับำมตการหลวงพ่ออิมรลจัสงฆ์หรือว่าตัวนี้คืออะไรขอถามข้อหน้าว่าลูกทรงยังมีนามว่าหนึ่งมสามส่ที่ขอว่าเรองคามบุญงานกระจปีท um, okay. uh ี huh. uh ่ว huh. uh ัดโดมีต huh. uh ้นสาวโสมใจหลงจันทั์ลูกขอยังถามหลวงพ่อว่าลูกจะทาไป จะไปทำที่วัด้วเอาสีขายู่ตอ้านมันจะน้ำ่ะโวมันมีสีขาทําอะไรตัวก็แล้วกันนะตัวสีขาเนี่ยานเดียวก่อนลืมมันทึกเสียงอ่ะเร็แล้วเล็ดแล้วเาจารย์น้าร่างสพนธั้อจิตล้งโศน้อ็กก่อนนะอืน ่ิงแเขใจมึเนี่ยตายเนี่ยัะพดเม่ใช่ใช่ใจมึงเลยพูดว่าวันนี้โิดอกาซความไหลจะไปปล่อยเาเกิดอะไรจะได้รู้ี่ผมรู้ท้องอในระหว่างเดินทางไปรั้นไอมอเตอร์ไซ์มันเขย่าไปเขย่ามาเราตัหนึ่งโดนลุ เมื่ที่ตามมาถ้าตั้งใจะจะเก็บชาและจะดืกันะลอยบังเอิญบังเอิญจะไม่ได้ออกไปบังเอิญบังเงินว่น า, นาให้รถสิดล่องมันมาแบกแบกหตายตายไปเลย ไม่มีอะไรเป็นบาปเป็นบุญเราตั้งใจปล่อยแล้วดิใช่แต่ถ้าเป็นบุญนะถ้าเป็นกฎข้องคำของเต่าเองไม่ความเก่าเขามีกฎข้องคำเขาอยู่เรื่องของเขาเราได้บุญแล้วนะใช่ใช่ใช่เรื่องของปัญหาสบายใจนะได้บุญรูปเดียวแล้วครต่ดีทีเต่าีประโยชน์นะครับไม่ได้คยวก็ได้แต uh> ่งา uh ตาเท้าหลวงพ่อที่รพกันผมคือผมมาทำบุญกับหลวงพ่อนานแล้วเป็นลูกสิ่งเสียบประเภทวัาเกาเจ่งดืว่อเวลาทำสักการะไรเนี่ยผมสาดีสารกนคอยทานาตนี้แต่เพื่อความมั่นใจเกลื่อนเหี่ยวไว้ลูกพ่อคูกต่อไว้อย่างนี้ถ้าคุณบาลียังไม่ถึงเพียงใด กขอให้เก the ิดพันในสมัย mm ก็สีที่ังไม่ใจแล้วก็ลมัผลด้วยมุังกาอธิษฐานเกิดเหลือสดขาดแต่นี้จะูกต้องใช้ได้หรือไม่ขอรลวพอติิงแนะนำดเถิดขอรับเอค่าชมให้เท่าไรมัม่้ดรู้เยเหรอเขามีติติงเขามีตติกับติงด้วยเนยมื่อชมอ๋อเอางี้ก็แล้วกันนะขอค่าชมหกบาทในการอธิษฐานที่ดีมาก ท่านี <laughs> <laughs> ้เพ <sh> ื่อไว้เรายยอะน์นเงี้าตอัไลนะจะวลงท้ายศูนย์นั้ไม่ได้กลับมานะจะเลยเลยโม่ตาดูน้จดกอไปกราเท้าพรเดชพระเกนนี่เลย ว่าปีที่ผ่านมานี้เป็นอดะสินเป็ทอเชียงให่ขึ้นะะยอยตรงลูกมีความเ่าเปือยนอย่างมากบนเสาเขาลุดที่มีมีอ า, ากาศให้ที่นิทสนม่ายลูกกระลอ้อทีนี้ตอนขากลับมาถึงเขตนางทองก็ติดป็อย่างมากลูกรู้ว่ามันจะต้องมีอุบัเหเรืออะไรเกิดขงนาปอย่างแน่นอน โอยทากสิตอาญานักขานึกถึงคุณพ่อขอให้รลวงพ่อช่วยให้ลูกได้กลับอยู่เร็วประกาศคนได้ยินเสียงแววว่าว่ไอเนี่ยอะไรโราณกรรมเลยอ่ะแบบี้ว่าว่าไงนี่นะครับถ้มันก็รถมันรถมันติดลูกก็ถู้สึกคุณพ่อเป็นการใหญ่ ไม่ทราบว่าเกตุปฏิหารายใดแท็กเดียวลูกจะมาถึงตสิทธิ์โดยลอดภัยและเรียนร้อนไ้เป็นปกติที่ลูกเข็ยดหมายมานี้ไม่ใช่อะไรอื่นโดอากแจ้งคาเรียนขอพ่อุล้วก็และขอเสนอแม่ว่าตามต่อไปขอเดี๋ยวอช่วยพ่อเข้าใจนะโอ้ดีมากดีมากลูกอลุษาเจ้าหนี้ดีมากนะพ่อไม่ต้องรู้จักแกกันนะ ข้อต่อไปที่ในประเทศไทยเขาดแบบเลยใช่ใช่ใช่ใช่อหาร้า้าวพระเดชรคุณมลวนพ่อทิพย์ประหลัมสูอรอ๋อที่ด้วยอย่างนี้ลูกจะเผาตกคือแม่คุณตายแล้วแลไปตายไม่ใช่ไม่เผากันน่ะไม่ใด้จแยแย้วอย่างนี้ลูกมีงาประมาณลูกจะเท่าฟ้า แเท่าทานทงข้าวแล้วไว้อธิษานเพื่อเป็แจกระพุทมาในงานตรงนี้เพื่อเป็นที่ระลึกและเพื่อเป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายทั้งวเหล่านั้นแล้วก็จะขอในญาติคนข้าวะทำในนี้ได้หรือไม่ถ้าได้ ก, ก็นจะขอใหุุ้ทั้งหมดที่กิดจากงานที่จะเผานี้ให้แกข้อต่อไปโดยอดอานได้เจ้าะไม่เป็นไรนะครับ การ้ากลวงข่อที่เคารพอย่างสงลูกเห็นหลวงข้อคอยพูดไว้เมื่อปีสองสองว่าจำได้ไหมว่าะอะไรกอนนอนถาวายอิทนทรียโซร้อยแปดจบได้จะดีมีประโยชน์มากนะถ้าทําได้นะลูกนะหุวงพ่อลวกข้อคงจะพูดแบง ส, สนุกสนานแต่ลูกเอาจริงร้อยนะลูกสร้างสัตยสิยาอธิษฐานว่า พุกวันถ้าไม่ได้ร้อยแฟนจบจะไม่ยอมรอโดยเด็ดขาดหลพ่อขาแต่สามวันเท่านั้นเองถหวาวงเรียนต <else. S 3> <c oughs> อ, องยดีองเรียดีลูกก็เลยขออย่างนี้จังค่ะขอถว า, ายตัดจากหลวงพ่อเอาแค่แฟนจบเอารความ <c oughs> <c oughs> จริงมันควรจะเอาร้อยแปดจบไปก่อนนะแล้วก็ตัดโฉนทิ้ง กี่สิบแปดใช่ไหมเออแปดเออไม่ได้หกแล้วเอาเนี่ยแล้วกันเอาคิดดีวโสใช่ไหมเอาวันละเเดียวให้ตั้งใจจริงฝูดใช้ชา้าด้วยฟังเคารพห้องที่หนึ่งตั้งใจเคารพพระพุทธเจ้าห้องที่สองตั้งใจเคารพพระธรรมห้องที่สมตั้งใจเคารพพระอริยสงฆ์พระโสดาบีตากาณาคาหันทานก่อแล้ว ไม่ตอไเร็งแหเลยนะคบมีในแกนายเรว่าชิมันยัมูลหลายโคตรละลายเลยหลับเขาไม่นานว่าแค่ศพเดียวก็พอแล้วหอยใหญ่โตนี่ถ้าโทนแบบชนิที่เรียกได้หอยก็เร็วมาก มาเรียนถามพ่อว่าแวนของลูกตายไปเมื่อวันที่สองเขาไปแล้วเป็นมะเร็งด้วยอ่าแกมาเฒ่าฝันว่าโอ้ยมันยังเจ็บอยู่โอ้ยมันยังเจ็บอยู่หลักระทานก็หายแล้วบุญก็ทาแล้วก็ยังมาฝันว่าโอ้ยยังเจ็บอยู่อะอีงินหลวงพ่อช่วยบอกว่า จะทำบุญแบบไหนจะสามารถแก้โอนเงือได้เอามีสิยังไงบฝมโนที่ไปหากันเองก็หมดเรื่องไปก็ง่ายๆไปถามว่าทำไมยังเลิกโอได้ใช้ทำบุญอะไรใช้ถูกต้องตามความต้องการใช่ไหมงเป้าหมายอังมีโอนอ้าวอ ขอฝันนิดเดียวคือว่าปรากฏ ว, ว่าลูกได้เห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสรมพุทธเจ้ามาในนิมิตและลูกก็มีโอกาสถวายโดยใส่ใส่บาตรของพระองค์ท่านและพระองค์ท่านก็เลยหยิบข้าวในบาตรมาให้ลูกรับประทานนี่ลูกจะเรียนถามก็คือว่าอย่างนี้การกิดเป็นธรม ร, รมะปฏิบัติควรจะเป็นธรรมะแบบไห น, อนขอรัข้อแรกควรจะเป็นสมะตามที่พระเจ้าทรงตรัสไว้ หกายสุจริตวัตีสุจริตมโนสุจริตพอหรรามสามสพอแล้วถาเคยไปจะเป็นเจ้านสุจริไปธรรมะแต่สามได้สล้กันะจ๊ะทราบทีบอกว่าามสวรรพระสามสวรรค์เท้างพ่อสามลงอยินดีไว้เท้า ตาสบายพระบนพ่อรพระเจ้าตอตออเขาต้องมีชื่อมาเลยนะนีนิวัดทิองค์ใหนะขอผู้ททั้งหมดที่เป็นผูอนูงรมาให้กับหลวงพ่อและขอแบ่งมาเพิ่มหนึ่งให้ขอขขอแบ่งนั่นก็นะยังไงไอ้ี่ขอแบ่งรู้อย่างนี้หลวงพอสุเลยครับเสียงยาวหน่ คือวตอนนั้นหมักหมามันจักระต่ายตัวหนึ่งแลมัในใกล้จะตายผมไปเห็นข้าเลยเปิดศึกษาเดมีเรศานรศ า, นศานมา่าก็เลยบอกว่าการศึกษาแกนะใหนผมพ่อแกนะผมมากับมองตีฝั่งผั ก, กยไปเลย <c oughs> นี้ก็ผมเลาทฤษฎีผไปแล้วแต่ทีนี้าท้องใจจะนหน่อยหนึงว่าการที่เรามีเมตตาเพื่อนขเาล้ก็ตายสนกขึ้นน <c oughs> ี้จะมีจะถือว่ามีบาปกรรมมีเวรหรือไม่ขอรับ ไม่ต้องถือเรามีแง่ๆไม่ช่วยให้มันตายเร็ ว, วป่วยเยอะแล้วรับตะคองหายได้ไปหายไ้ตายเราช่วยดีกว่าอรักษานะอัอนี้แสดงว่าถ้าป่วยแง่แงๆแงไม่ทันจะตายพวกสิทธยายให้ตายไปเลยเนี่ยอเออตาเยเลอไม่รอดกันแล้วเลย แมนี่้แกเอาน้ำเอาเลือกมาตายเปผัดเแกงไปทอดเออเส้นรถครึ่งหนึงไปยังตู้เห็นแล้เออังถ้าหากเจอยนี้จะไปทาซ้ำนะช่วยด้กช่วยแต่เราจะตายเาเลดรืของจัสาวข้มาตรการระเดชบุหลวงพ่อยรจริงลูกไปส่โถไทยกลับมามีปัญหานิดหน่อย ก็จะไม่ดีจิ่จะเศ้าหมองก็เลยจะต้องถามหลวพ่อช่วยอย่างนี้ตอนที่ลูกจะหลับจะนอนทุกท่านลูกจะต้องพูดทีที่ที่โถสามจบด้วยความเคารพแะตั้งใจเพื่อที่ไหแต่หลวงพ่อคอยหาย่อยเพื่อจะได้สอนลูกสอหลานไปนาแสนนานก็พูจบก็หลับไปแม้หลวงพ่อมาไล่โกรธทันที ขอแล้วก็จากจะบอกกับหพ่ว่ารูปตั้งทีู่ปัวมีิที่ตหลวงพ่อย่าลืมาเข้าฝานนะเพราะเข้าฝานที่ไหนลูกหายป่วยด้วยทุกเดียวหาตกลงนะตกลงตกงแต่ถ้าโอ้ให้นันรูปติดให้ไวๆไอ้นี่หลพ่อไปหาหายป่วยมาไปขอโดยจำเ็นไป หลายอย่างแล้วพ่อมีหลายรถนะแล้วพ่อนะก็ผมเป็นคนที่ทำอะไรตั้งใจแต่ไม่ค่อยแน่ใจอยู่บ้างก็ะลววที่ว่าตายแล้วไม่รู้ว่าคุญกุศลมันจะได้หรือไม่จะไปตกโรกครณจะขึ้นรางผมเลยทำอย่างนี้ว่าขอฝากบุญที่ทำมาทั้งหมดนี้ให้ภกปยมมาลัย รับไว้ด้วยถ้าตายเมื่อไรขอให้ท่านเอามาคืนให้ผมแล้วก็เรื่องความมั่นใจองผมถ้าไม่คืนให้ผมจะไปฟ้องหลวงพ่อขอให้หลวงพ่อเป็นสักีพยานเถิดผมทำอย่างนี้มานานแล้วไม่พลาดหรอกเพี้ยนไม่รู้เปล่าผมนั่นนะไม่ไม่เคยเพียนหรอกไม่ไม่เพียนแต่ไม่ตรงไม่เพียนแต่ไม่ตรงแล้วก็ใช้ได้ ถือว่าใช้ไม่ได้เป็นอถรรใช้ได้นะใชจะให้ตรงละไอตรงเราขอให้ท่านเป็นพยานบุญกุสที่ทำไปแล้วทั้งหมดนี้ขอพยายอมพยานด้วยเะนันแหลพออย่างหลวพ่อไดใช่ใชนี่ก็เหมือนกันจาถือใจความแบบเดียวกันแต่ท้นนวนยาวไปหน่อยยาวไปเลอแล้วไปัฏเญาณกันหลงพ่อครับ เจ็บใจและวเนินที่จะต้องพูดกระรอ้วยความจริงใจตองอา่านหนังสือเป็นสบาบหนึ่งเมีชื่อมาจะ ไ, ไ, ไม่ไม้อา่านอื่นนะเมื่อวันที่สองตุล า, าคมพุทธศักราชสองพันไวร้อยกสาวันนี้จบการเรียนเ้าประโยชน์มีคอรั่งต้องการเกี่ยวกับศาสนาเขาพูดมาอย่างนี้ในาาหนังสือจึงว่าการนัสมาธิไปเที่ยวสาว่างไปเกี่ยวทะเลาไปเกี่ยวชมไปเที่ยวลลยวิพ า, านก็ดี ไม่มีสาระในบทแจการลูกก็ลอยโมโหและคิดในใจว่าพระเราไม่ได้ปฏิบักไปอยู่แต่เราสามารถไปได้ต้อผได้ให้แบบนี้มันน่าจะมาถามเรามากกว่าแผมคิดแบบนี้ไม่ทราบว่าจะเป็นการอะไรนะมีวิถีมณะให้หรือเปล่าครับไม่มีไม่มีวิถีไม่มีมณะแต่มันมีกว่าถ้าว่ามีโทสะ ไม่เสียไม่เสียเพราะเราคิดถูกเขาคิดผิดไอไม่เสียนะโอ้ยนะความเปลี่นถูกเป็นผิดไม่ได้เกี่ยวกับประยไม่ได้เกี่ยวกับไม่เกี่ยวใช่ใาตาหมุนหมมุนร้อนัำตุ้งโลกทอยพังพสร้างเสริมเนิดไฟฟ้ากับวัตถุม แล้วภายหลังทอดได้ถวายเป็นค่าน้ํามันค่าน้ํามันรถค่นาน้ํามันเรื่องไฟฟ้าเป็นประจําแล้วก็ทํามาเป็นเวลาช้านานแล้วเพราะลูกสะทาหลวงพ่อเป็ออนอย่างมากถวายหลงวงพ่อโดยได้หนึ่งบาทสะทา ม, มากนะน้ำมันบาทหนึ่งรถไฟบาทหนึ่งธนาคารบาทหนึ่งเออลูกเป็นคนมีฐานะไม่เท่าไม่ทากกเหมือนกับเข า, าทั้งหลายที่จะเรียนถามว่า ทำบุญเล็กๆในน้อยอย่างนี้เวลาลูกตายแล้วไปเกิดในสัรวันวิมานของลูกคงจะเล็กตามจำนวนจนไปหรือเปล่าลูกะโอ้ยโบมิมาเจ้าเนี่ยเอางี่สิเป็นเล็กเงินใหญ่ไม่สำคัญสำคัญัศรัทธาถ้าจะทาสูงจริงๆนะทำตามทำตามที่เรามีอยู่วิมาก็ใหญ่เหมือนกันสวยๆเหมือนกัน ใช่ใจกำลังใจนะก็มีความจำเป็นเหมือนกันกำลัจะออกอยู่แล้วนะไม่ใช่ตัวอย่างมันมีอยู่อย่างนามิ่าเพื่อนน้มิสาขาเนี้ ย, ม, ยมีเพื่อนน้มิสาขาคนหนึ่งนะในพระไตรปิฎก น, น ะ, ะแก ไ, แก ไ, แกไม่แกเป็นเศรษฐีเหมือนกันไม่เคยทำมุลเลยแต่ว่าน้ามิสาขาทำมอะไรแกมโนทนาอย่างเดียว พอตายจากความเป็นคนไปไปวิมานหลังใหญ่หนึ่งหลังมีมานหลังเล็กสองหลังเปนที่ังเล่นแล้วก็มีสวนดอกไม้แล้วก็มีสวนมีสวนต้นไม้ผลดอกผลไม้นะใหญ่โตมากนั่นเขาโมตนาของใหญ่เขาก็ได้ใหญ่ไม่บอกเออแท่นทรายนี่ทำ บ, บุญตามบ่ายทำว่านหนึ่งบ่ายของเขาเนี่อาจจะมากจริงจริงเขาก็ได้นั้นเขาทำบุญตามความจะเป็นนะ ก็ถือว่ามากของเขาจริงๆในความนี้เป็นเท่านั้นนะเขจะมีนใหญ่เหมือนกันผมต้องกดมัาบนากเดียวใต้ที่พัมืแค่พวเดวมันไม่ตอเลยถ้าตะโพว์ก็ใหญ่คนนั้นจะไม่ทาเลยในสมูกนายเดียวมนจไม่ได้สักฝาใช่ใช่ใช่แค่โมนาไม่ใช่จีนใจ่นะเนี่ยอย่างนี้นางโมทนายถ่ายท่านไม่รู้จีรัยกีโคจวันีสบายสันธาร ก็ตั้งใจมโนนาเรืยทุกรายไปนะอา่ๆโอ้ยจนจะตายไปแล้วมีมานอยู <t <t ่ไม่ได like> like> like ้หรอกทำไมล่ะครับยาวมากใหญ่มากข่วขดไไหว้เขาไปนั่งว่าทำน้อยไม่เป็นไรนะขนาดมโนนาเขาจะได้ดีเลยหลพ่อเจ้าขาลูกไปเคยมีความทุกข์เลยวันนี้มีความทุกข์มากบาดหน้ามาึงหพ่อเป็นพรแรกแต่อาจจะเปสุดท้ายในชีวิต จะในแน่นะคือว่าอย่างนี้ลูกเมยุ่งยิ่งเจ็ดเมยนะได้เสียกับผู้ชายลูเจ็ดเมอยูกินจะนิยมวัฒน์จักอยู่กันสุดไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเหลืออกเือนแดกไปหมดกันแล้วที่มีชุกมาก็คือว่าอย่างนี้พราะว่ากินแทบสุดมาแล้วแกจะไปได้ผู้หิอื่ลูกเองเป็นคนที่มีธรรมะน้อยก็มีความทุกมีความคลุมร่วมหน้า อยากจะพึิงบารมีหลวงพ่อว่าถ้าปัญหาจะเกิดขึ้นลูกควรจะเตรียมตัวปฏิบัติธรรมะแบบไหนถึงจะสามารถลับรักดับทุกได้เขาอีกว่าดับทุกข์ตัวนี้มันดับยากอาศัยกงหลวงที่ผ่อนไม่นี่ปเขาเป็นคนมีห้าหักไ่สมเมียทุกอย่างเคยมีเมียแต่อะไร ผมก็โกมเยนะเอ่อห้ามโกลาสายรนักเลัาช้าหลวงพ่อที่พ็รบยังสือโอ้ลูกตั้งใจว่าจะไปทอดศระถิ <système> ่นเอาเรื่องใหญ่ผ่านไปแล้วเรียบอะไรว่าทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปรากฏว่ามีเหตุบังเอิญขัดข้องไปทอดกะินร่วมกับเขาไม่ได้ทีนี้ก็ลูกมีความรู้สึกน้อยใจเป็อยามาก ให้ทาสมาธิขึ้นไปที่นิพพานแล้วกราบองค์เด็จตถาสมาต่อพดชเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าทอดผ้ากับพ่อก็ได้แล้วขัน่านเดือดละอัดมาลูกก็เลยหยิบผ้าใส่พิชถวายพระองค์ท่านสังเกตดูแล้วเป็นแก้วประกายพุธมีความคลื้นใจเป็นอย่างมากแต่เมื่อลงมาแล้วก็ยังไม่สบายใจนิดหนึ่งดูว่าแมจะได้จใจปฏิิิจริงๆเตรียมไว้ไม่ได้ไป็พ่อ อารมณ์ติดอยู่แค่นี้นิดเดียวยังแค่เป็นตกของบารมีหลวงพ่อเฉยแก ง, ง่ายเอาผ้าไตรไปวัดธาตุซุ้มก็เพิ่มมัรราบไปเ ร, ร า, ปาเอาไว้ที่บ้าน่าจะคล่องใจใช่ใช่พ<ห> <ใจ S 1> ัดไหนก็ได้ไก็เป็นสังฆทานก็ถึงก็คือสังฆทานไอ้เมื่อเราทอดไม่ทันตามการเวลาที่สงมันได้แล้วรตั้งใจแล้วถ้าไปไม่ทันก็ไปถวายพระเแต่ถ้าไปวัดไหนไม่ได้ก็ ว่าทราบนะครับผนะ อ, อย่ <c oughs> า, อางก ร, ระาอดอาษก็เป็นวาในฝันวาอะไรนะอ่าคือไม่ได้ถวายอันละในเวลาสนฝให้ไปพันพันสีใช่ไหมพันสี่อ้าเอพันสียหวพ่อครักนะเว่าเรื่องรักเป็ื้อระาบด้วยกนนั้นใช่ใช่จกากพระอภาิานข้าวเรื่ยงนี้กลอะไรอเอ่อฝากข้าวหลวพอทุก็รับจยาโสง ดูว่าในสุนทัอะไรนะนางจ้าคุณออกมาเราวงเปิดปีมะโรงวันเสาวห้าสิบตายไปแล้วว่าไงอ๋อแต่มาเข้าฝันเอ่อวลาที่สวดมนลที่ก็ดีอะไรก็ดีก็ปรากฏว่าแกมาในสภาพสภาพเป็นควายลูกไปหาพราวิปุตตะอาจารย์ให้รูท่าจะบอกเอออาตมาเป็นควายแล้วบอกท่านบอกว่าช่วยเหลือช่วยเอแนะนาวิการจิ ท่านบอกว่าเออย่างนี้ไม่เคยเลยก็บอกว่าทานเขาไปหาทาก่าคือมีรอยสายลมหวงพ่อ้าเขาไม่าอย่างนี้ลุกควาจะทาบุญอย่างไรผมถึงไดขอเจ้าขาเจิญกรรมฐานไปพบเขาจะตามแต่กระดาษที่ต่ออ่ตงนีนะอาจำเลยนะให้เจริญพระกรรมฐานแล้วก็ไปพบเขาเอาขาไปหลวงพ่อเจ้าขา ลูกได้ไปรักษาอุโบสถที่วัดแห่งหนึ่งที่กุงเทพบังเอิญตอนนั้นน่ะมันเลยเที่ยงไปบังเอิญนาริกามันเสียลูกก็ไม่ได้ดูกินไฟกินมาผ่าก็ไปบ่ายโมงวันนั้นลูกก็สบายใจเป็นอย่างมากว่าอุโบสต่อสิของูกจะปกป้องมันจะแล้ว ก็ะจะมากาพขอมาลาโทษว่ากินข้าวเลยเที่ยงโดยไม่เจตนาส่งแปลของลูกา้าขาจะขาดหอไม่ัอ่าสิ่ ว, สวันนี้ไม่ขาดไม่ขาดวันนี้มาทานสิ้นแปลสิ่งวันนี้เหรอใช่ไปกนเลยไ <c oughs> ้สิ่มันขาดยังไงเลยเลยขาดเป็นหมหมวันขอไม่เป็นไรไม่โทษ มันไม่มีโทษนะใบเยปูมเนี่เป็นส่วนธรรมะนี่เคยเรียกแปววไว้คาว่าเพียงสมัยพระพุทธเจ้าสมัยตะวนตกเหนือหรือว่านากาทีสองโมงในความเป็นธรนี่เอานี่ยละกันถ้าสมัยพระพุทธเจ้าเอาจริงๆตาทำในนะถ้าทิศตรงเงาตรงลงมือฉันถ้าเงาค่อยไปไม่เกินสองนิ้วถ้าเงาค่อยเกินสองนิ้วเป็นอันบัตรถ้าไม่เกินสองนิ้วไม่เป็นอันบัตร เวลานี้เขาเลื่อนมาชั่วโมงนึงเพอถ้าเลาเแบบพุทธการนะอาจจะเลอถ้าเอาแบบพุทธกาล้รก็ลงมือเที่ยงได้แล้วก็เล้ไปเสื่อไปไอเงาสองนี้นี่นานนะเก้บโใช่ใช่ก็มารวาทไปตามสมัยใหม่แลวกันนะสองทะเลทรายเปนเกณอ๋อการพักหน่อพ่อาะรับยังสูง รือว่าอฟที่บ้านมีต้นไม้ใหญ่อดุสีต้นจำเป็จะต้องตัดแต่ลูกต้พยายามตั้งสามในเวลากับสามเช่าปีให้แล้วอไม่ความไมสบายใจอยู่ในส่วนที่ว่าลูกไม่สามารถจะติดต่อกขาได้ไม่สามารถเขาไม่สามารถเห็นแต่ประสารในความสงบอย่างนี้ท่านจะอย่างนี้จะถือว่ามีข้อหรือเปล่าเขราะลูกติดต่อไม่ได้เะติดต่อไม่ได้จะโทษบอกว่ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ ก็อยห้าอยู่ที่ศาลนั่นนะใช่ใช่ได้ก็ไปรุกกระเิวดาทีมันแปะลังคาศาลได้โอวดาอยู่ไม่ได้เข้านะแ่ไม่ไม่ไม่เข้าหรอกไอ้ที่อยู่นันน่ะแมวใช่ใช่ใช่ใ่ใช่ใ่ทีลนิดมูเป็ดไ่เป็ดไก่แมวเปเอสายทุตีเลยใช่ใ่ ไม่ได้แมวไม yeah. ่รู้เสพแต่ครับก็ไม่เป็นไรนะครับเม็ตลาดดีอ๋อนี่ลูกพ่อครับงานผมเด็กวันเสารที่ที่สิบาธันวาคมที่จะถึงนี้เอ่อรูปตั้งใจว่าจะแต่งชุดขาวให้เช็งรับเพื่อให้เหมาะสมกับงานและรู้คิดว่าถ้าแต่งชุดสื่นแล้วจะได้รับผลไม่สมบูรณ์แบบ ตั้งใจไว้อย่างเต็มที่พอจะไปจริงๆเหมเอนไม่พอลูกขอเปลี่ยนเป็นฟุธรรมดาได้ไหมก็รับเอาชื่อดำเลยดีกว่าจะได้ทาเมนมาทำใช่ใช่เมนที่ยังไม่เคยเผาใครเลยไม่มาฆ่าคุก็เหรอใช่โอ้ไม่ทำเมอะไรที่ใครตายเขาตายเขาไม่เผาเาไม่ทำอื่นเหรเมนลอยมีเม่เครื่อที่มีไม่ใช่เมเครื่องที่แทน โอ่ิวต์มีหลายระบบใช่ใช่แต่จริงๆแล้วเรื่องเขาดีของข้อนี้ไม่เกี่ยววัาชาวุดแดงชุดด่อะไรก็ได้เนไม่ช่ชุดบังเกิดชุดนี้ไม่เอายครับชุดนี้ทำพิีไม่ได้นะเข้าได้แต่ผรสมาธิพระจะไม่ทรงตัวจริงนะจริงนะ ที่ก่อนาตาก็เห็นเป็นนิ้วพอดีแล้วนะทนี่จะเป็นพอดีอะเอ่อมันเป็นดิจิตติกแบบหนึ่งองค์พระบนนั้นเป็นตาคอนเทนเนอร์ก็เสมเสริมด้วยภาษาชื่อรเกิดนะเอาเป็นนะว่าแต่งแบบสบายๆสุดมากก็แล้วกันนะพอแวก็วันน้ำจิ่ อาจะต้องมีดอกไม้พวกเงินข้าวตูอย่างไรหรไม่เพราะว่าจะไม่เคยเท่าไม่ดีเขาบอเลยไม่ต้องหรอกเงินข่าวราะไกันอ้วาหม่างค์ลร้อยบาทอ่าอาวเเาอิก่อนสิาเอาอย่าถามเยถ้าไปถามสบาทถ้าไปถามสิบาทถ้าถามร้อยบาทถ้าถามกาในสองพันบาท ก็แกงโงเวลาแล้วเดยเวลาแล้วอ่าอูแลดูแลได้ถ้าเฝ้าคืนันไผ่แต่งานนี้มัเฝ้าลมบางของใช่ละานไหเอาละครับท่านมีตัวรัรักทั้งหลายข้อเอวนทิพย์แนทินชายดิ